กันกชนทั้งหลายผู้ใคร่ทำจะมาปฏิบัติในวันธรรมสวนณะเช่นในวันนี้ในวันพระท่านพุทธสาสนิจจะท่านพุทธบริษัทอุูบาโสปติกาทั้งฝ่ายบรรพชิตและกริหัสมาสร้างกําไรชีวิต <c oughs> มาบำเพ็ญกุศลในวันพระแสวงหาความดี ให้จิตใจของท่านให้เบิกบานหังษาสแสวงหาพระในวันธรรมสวนรณเป็นโอกาสมาฟังธรรมเจริญพระกรรมฐานบำบับงแผงทานทุณภาวนาเป็นต้นเป็นนิยมการของท่านเองโดยเฉพาะท่านษาทุชนทั้งหลายเราจะหาโอกาสอย่างนี้ได้ยากมาก <c oughs> ที่อะไรเอ๋ยมันไวเหลือเกินตามไม่ทันก็คือเวลานี้ตามไม่ทันแล้วไวมากถ้าท่านคิดทบทวนท่านจะรู้ได้เลยว่าเวลาไวมากหนุ่มสาวไวมาก <c oughs> เจริญไวชนะสาก็ไวมากบัดนี้เข้าปฐมเอาัย บัดนี้เข้ามัดจิมวัยบัดนี้ไปปัดจิมวัยแล้วเท่าชเชลแกะ่ชะลาวัยมากวัยตัวนี้แปลว่าอะไรแปลว่าความเสื่อมแต่เราเรียกว่าเจริญวัยชนะส า, าวัยตัวนี้เป็นภาษาบาลี แปลเป็นภาษาไทยพระพุทธเจ้าสอนให้เราชัดฟังได้ง่านคือแปลว่าความเสื่อมนั่นเองแต่เราก็เสื่อมมาแล้วต่างแต่ปถ ม, มวัยพลอดออกจากครรภ์าาของมารดาลองเอาแววอาแวแบบอกรามือแน่นนี่อของกูนี่อของกูทุกครูของกูตลอดรายการ ก็เข้าไปสู่ยี่สิบห้าเบญเพศแนวลยยี่สิบห้าขึ้นย่างเขายี่สิบหกไ ว, อกไว้อีกอะไว้เสื่อมเข้าสู่มัตชิมมาไวั้แต่ยี่สิบหกปีถึงห้าสิบปีเลข5้าขึ้นแล้วมัดชิมมาไว ไว้ตัวนี้แปลว่าความเสื่อมโทรงของร่างกายแังขานไม่มีอะไรแน่นอนเลยท่านสาธุชนทั้งหลายเ อ, อย๋อยยละเลยเรื่องบำเพ็ญจิตอย่าละเลยเรื่องสติปัญญาเลยห้าสิบไปแล้วแต่จะเข้าโซ่ปัดชิ้นมาไว ไปกระทั่งวันตายยิงจะไม่มีวันกลับมาอีกวหากลับไม่ใช่กลับมาทางเดิมเนะี่ยต้องกลับซ้ายเวียนขวากลับซ้ายเวียนซ้ายกลับขวาเราจะเห็นเลยว่าเดินเข้าโบสเวียนไปทางนี้แล้วเราจะกลับบ้านก็ต้องเวียนที่เมนน่ะเวียนกลับ ไปถู่บ้านของท่านตามเดิมออกประตูเกิดแล้วต้องไปออกประตูตายเขื่อนโรงไปตามสาภาพขอ ง, งขร่างกายแล้วอันสาทุกชนทั้งหลายเอ๋ยโปรดพิจารณาข้อนี้ให้มากสุดๆเท่าที่จะทำได้มากนี่ละหนุ่มและสาว มาสักครู่นี้เองยังอยู่ตอนเชา้าตีห้าโยมนุ่งขาวอยบาสกุิกาเขามาใส่บาตรกันเป็นแถวใส่แล้วไปไหนเวลาไวมากตามไม่ทันคือหนุ่มสาวเดี๋ยวเข้าวาระโอกาสเดี๋ยวซิเบเอ็ดโมงอีกแล้วฉันเพลงกันแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าตอนฉันเพลงอีกแล้วชามยังไม่ทันแห้งเลยฉันเพลงอีก้ มันไวงั้นขนาดไวคือเสื่อมไม่ใช่วัยเจริญโรดจำไว้ข้อนี้เป็นหลักบาลีตามคำสอนยุตเจาวชัดเจนมากไม่ใช่เรื่องเล่นเพลงมาสักครู่นี้เองบัดนี้ไวเนี่ยหน้าที่จะเลี้ยวรัดชายมาพรับจะอัศดงกศ ถ้าที่ก็จะต้องตกไปเนี้ยพี่น้องหญิงชายหนุ่มสาวที่รักทั้งหลายอาจจะตามหนุ่มสาวไม่ทันอีกแล้วถึง จ, จะถอยกลับเสื่อมไปตามสภาพจากปฐมอวัยคุ้งฉัดต่อไปสู่มัดชิมอวัยกลางคนท่านก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยแต่ทั่งที่เขาปัดชิมอวัยแลเลขหกตัวขึ้นแล้ว เล่ตัวขึ้นแล้วแย่ yeah. แน่เสื่อมวตายได้ ท, ทันทีก็หมายความว่าจะต้องเสื่อมแล้วก็ตายไม่แน่นอนแล้วแต่กรรมมาตัดรอนบ่อนทําลายอาจจะตายซะมาเป็นเด็กในปฐมวัยอาจจะมาตายซะามาจิมวัยก็ได้อาจจะไปตายซะปัจจิ ม, มันวัยก็ได้ แต่ตาหมดเวลาหมดทั้งไายหมดทั้งน้ำมันคือตะเกียงไส้ก็หมดน้ำมันก็หมดหมดทั้งเวน้นหมดกรรมกิจกรรมก็หมดายเหลือแต่ดวงตะเกียงไม่มีไส้ไม่มีน้ำมันแล้วก็หมดไปตามสภาพของเขา้วยอายุขซึ่ง น, นี้แต่พี่น้องที่เป็นปฐมวัยกำลัง เข้าไปสู่หนุ่มและสามยี่สิบห้ายี่สโลดระวังระวังลอยจะได้ประมาทอย่าพลาดอย่าละโอกาสอันดีของท่านรีบสร้างความดีซะบัดนี้ได้ไหมรีบเข้าวัดสามวัดให้จงได้วัดอารมณ์วัดถูกทมวัดอารมณ์วัดตั้งสติกรมฐ า, าน ดำลงมั่นสมาธิจเจริญจิตภาวนาแต่จะได้มากได้ผลจะได้อนิสงส์สมความมุ ม, มาตาถนาแน่นอนทันย่าประมาทนะคิดว่าเราจะไม่ตายอาจจะตายคืนนี้ก็ได้กรรมมาตัดรอนก็ได้เราก็ไม่สามารถทราบได้ว่าเว้นกรรมตามสนองตัดโลกย่อมเป็นไปตามกรรมอย่าง่าหนอน ไม่มีอะไรมาตัดเราตัดรอนด้วยกรรมด้วยจากการกระทาครั้งอดีตชาติด้วบาปกกสองกรรมที่ทำไว้ในความชั่วในปัจจุบันสามารถจะบันรอนในอนาคตแล้วจากโลกไปโดยไม่ทราบโดยไม่เข้าใจโดยไม่รู้ตัวก็หมากหลานนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลาย เราจะพิจารณาข้อนี้ให้มากถูกและ ว, วันนี้เป็นกรณีพิเศษของวันพระที่คนไทยสัญชาติจีนจะที่โอกาสขึ้นไปใหม่บูชาบานพระบุตในวันนี้มากทั่วโลกสัญชาติจีนอยู่ที่ไหนจะอยู่เอเชียยุโรปสหรัฐอเมริกาก็ต้องว่า เป็นประเพณีนิยมไหว้บรรพบรุษปู่ย่าตายายไหว้กราบทุกโอกาสที่มีเวลานในวั น, นถึงหากว่าเราท่านทั้งหลายเป็นคนไทยสัญชาติจีนก็ต้องไหว้ <c oughs> ถึงหากว่าท่านทั้งหลายไม่ใช่สัญชาติจีนแต่เป็นคนไทยแท้พ่อไทยแม่ไทยลูกคนไทยก็ต้องไหว้ ไม่มีใครพลาดกตันยูก็ตะเวทิตาธรรมไม่ผิดแผลแตกกันได้จากประกันไดองค์มเด็ชประทรัมมาทุกข์ยากยืนยานแล้วรับหลอกหัวกามกรตันยูตเวทิตาธรรมผู้ใดมีอยู่กับผู้ใดไม่ลืมพระคุณกตันยุบุพการีคนนั่นจะมีจะทางเดินจเจริญก้าวหน้าไม่เสือ่อมมีหวังตั้งรวยเป็นเศรษฐีมั่งมีสิสุข ด้วยกระตันยูวัตเวจิตาธรรมมีความหวังตั้งใจเช่นนั้นคงไม่ผิดหวังแน่นอนแต่บางคนไม่มีกระตันยูไม่มีบุตาลีไม่รู้ซึ้งก็ไล่ความหมายของมนุษยชาติไม่มีศักยาภาพและบุคคลนิสัยท่านมีชีวิตท่านจะจะไม่มีแก่งสารวันนี้ควรจะลึกถึงวันกตันยูตเวจิตาธรรมแล้ว ถึงบุปการีเช่นปูกระยาตากระยาจิเาสรสรุปบัตรพระสฐานให้เรามาไม่จำเป็นต้องเป็นคนจีนคนไทยก็เ ล, ลึกทุกวันพระวันโอนวันโกนเตรียมการวันพระกรรมาฐานลำลึกถึงบุปการีกระตันยูกตะเวที่ ท, ที่ที่ต า, ามไม่ใช่จำเป็นจะต้องโปรจีน ทุกวันพระทําได้ทุกเวลาเราพระเจ้าสอนว่าสุนัขขัดตังสุมังคลังสุปะพาตังเป็นตุกไม่จําต้องกล่าวว่าเฉพาะตุจีหรือวันขึ้นปีใหม่หรือไม่จำเพราะจำเพาะสาบหรือตรุษแต่ประการใดวันโกนวันพระสําคัญมากวันดีเราก็ไม่ละวันพระเรา ก็อย่าเว้นความดีแต่ไปที่นาเสียนายเหลือเกินท่านสาธุชทนทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงแสดงอีกย้ำเติมเสริมให้เราเข้าใจอีกวันดีของเรานั้นมี ท, นทุกวันทุกเวลาอย่าพลาดอย่าละประมาทอย่าประมาทละโอกาสอันดีงามอย่าประมาททุกเวลาเราก็ทําความดีไนดะ้ ตะกันดูตวเวทีทุกหน้าที่และการงานทุกเวลาได้ไม่จำเป็นต้องวันกุฎจีเสมอไปแต่วันกุฎจีนี่เป็นประเพณีขึ้นไปใหม่ของันชาติจีนคนไทยชนชาติจะขึ้นปีใหม่หรือไม่ใหม่ก็ตามเราก็เป็นคนเก่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปดีกว่านี้แต่ท่านนึกถึงบุปการีที่อุปการละเรามาแต่การก่อน เมื่อท่านคุณค่าของความดีอันนี้แล้วท่านจะเป็นคนดียิ่งในสังคมห้องถัดท่านจ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรแน่นอนทุกประการจะมีประโยชน์แก่ท่านเองโดยเฉพาะเราผู้ใจเจ้าให้ทำลึกถึงลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้หายใจออกเข้าใจรู้แน่นอนอ๋อเราหายใจเข้าหายใจออกเข้าใจแล้ว เลือดเนื้อเชื้อไขได้มาจากปู่กระยาตากระยาได้มาจากพ่อแม่ทั้งสองบริการจะนึกคุณค่าของชีวิตขึ้นมาว่าชีวิตเรามีค่าเวลามีประโยชน์นั้นจะนึกถึงบุพการีได้ท่านทั้งหลายทั้งหนุ่มและสาวท่านมานั่งเจริญกรรมาฐานท่านจะนึกอย่างนึกถึงมหาเมตตาใหญ่นึกถึงบุพการีท่านจะร้องไห้น้ําตาท่านจะร่วง ว่าคิดถึงแม่คิดถึงพ่อคิดถึงแน่แนถึงปู่ย่าตายายชาติภูมิอาติภูมิของตอนผมมีอุปการะคุณมาแต่การก่อนจะคิดถึงสถานที่ให้แหลมเกิดสภาพความดีจะคิดถึงที่ประกอบอาชีพการงานเช่นบริษัทไม่ควรทําลายจะคิดถึงคุณงามความดีของอาชีพการงานสาขาที่เราขายข้าว ข, ขายของธุรกิจ ควรจะเทศถึงเขาโดยอุปการละเรามาให้อยู่อาชีพการงานได้หยุดได้หยีเช่นนี้จะมีประโยชน์ไม่ใช่น้อยมันน้ำย้อยบอกตามที่ประโยชน์ทีละเอียก็เต็มกระบอกได้ชั้นใดก็ชั้นนี้นี่แหละท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายองคถ้าท่านสนใจในเรื่องตัวท่านถ้าจะไึกถึงบุปการีได้เต็นอันดับแรก นีแหละวันไหวบันพบับลูต้องคิดนะนี่ท่านทั้งหลายวันพระวันดีไม่ละวันพระไม่เว้นคือสร้างความชั่วยอย่างนี้แต่เราโปรดสร้างความดีวันดีก็สร้างวันพระก็ต้องสร้างวันดีไม่ต้องละวันพระอย่าเว้นความดีเลียบมาวัาสดสับพระธรรมเทศนาได้ไหมไม่ได้ไม่มีใครมาในวันพระสดับพระธรรมเทศนา ไม่มีใครให้ทานในวันพระกระทั่งปูย่ย่าตายายคอยรับส่วนบุญเปเตอวิสัยมันอยู่ข้างๆกันเยอะหมดแต่ไม่มีใครมาให้ทานในเปเตอวิสัยกำลังมาคอยรับส่วนบุญอยู่ฉวรรค์เอ๋ยเทพีเจา้าทุกชั้นฟ้ากำลังเปิดม่านฟ้าดูประชาชนชาวโลกว่าวันนี้ใครจะทําบุญอะไรบ้างโลกฉวรรค์โลกนร ก, กปิด หยุดการงานหน้าจุดให้สร้างความดีเมื่องนรกเนี่นยต้องหยุดงานมีหลักฐานที่ไหนยืนยันยมีหลักฐานที่ยายชายิ่งตะปุ่นที่ยอกุฏิกรรมฐ า, านมาสร้างปฏิบาตโดยโยมเล็กสุกใช้พงทายกที่วนนั้เป็นผู้สะละราคา80ิบาทิทั้งนี่เป็นพยานว่าอยู่มือนรกมาเนี่ยวันวันโก น, นพระเขาให้หยุด ไม่ต้องทำโทษวันดีมีปัญญาวันสวรรค์ก็ให้หยุดแต่เราเมืองมนุษย์มาหยุดวันวันสาววทอาทิมีหลักฐานที่ยืนยันได้ที่วัดหญิงสองล่างนางสองชาติมีหลักฐานที่ยืนยันได้แน่ชัดมากมาสมัยสอง0ัน้าร้อยกาลครั้งนั้นแต่มามาอยู่นี่สองพันสี่รอยเก้าสบเ้าเป็นกุติหลังแรกของวัดนี้ หรือว่าก็ตีกรรมฐานเป็นตน้นก็จะไม่ขอกล่าวให้ยืดยาวในโอกาสนี้จะกล่าวแต่ ว, ว่าบุพการีเอ๋ยช่างความดีเนี่ยกรรมฐานแต่จะเห็นทั้งบุพการีด้วยความซึ้งใจน้ําตาฉันจะร่วงคิดถึงแม่คิดถึงพอ่อที่เนปู่ย่าตายายอย่างนี้เป็นตน้นณับภาษาอะไรครับเด็กตัวนี้เดียบแม่เป็นโรคมะเร็งแท้ๆมีศรัทธามั่น ไม่มีใครบอกไม่มีใครเชิญชวนจะประการได้มอหนึ่งโรงเรียนสงวนหญิงสุพรรณบุรีเป็นต้นโรงเรียนใชายไกรกุณาสายของอาจารย์เสอศก็อยู่สุพรรณบุรีเช่นอยู่กันมาปฏิบัติธรรมที่นี่มอหนึ่งท่านยังเด็กเล็กมากมีความคิดสูง ข อ, อนั่งเลยสามวันวันที่สี่จะกลับน้ำตาตกร่วงเรียนให้หลวงพ่อทราบขออยู่ต่อสักเจ็ดวันได้ไหมแม่หนูเป็นมะเร็งวาระสุดท้ายต้องตายแน่นอนหนูยังไม่ได้แทงคุณแม่คุณพ่อเลยแม่ก็มาตายหนูจะอยู่กับใครแล้วเราเนี่ยตื่นตาจริงๆ หนูจะอยู่กับป้าก็ไม่เหมือนแม่นี่เดีวท่านฟังและคิดหน่อยเด็กยังมีความคิดเดีย๋ยวนี้คนโตไม่ค่อยคิดเด็กคนนี้พูดลึกซึ้งมากหลวงพ่อขาจะอยู่กับใครก็ตามนะคะสู้อยู่กับแม่กับพ่อของเราไม่ได้เลยอีกคำนี้ซึ้งเป็นคำคิดของเด็กในวัยรุ่นมัธยมไปที่ ชัดเจนที่วัดอัมพวันเมื่อการละครนั้นห้าหกปีมาแล้วหลวงพ่อขาขออยู่ต่อทุกเจ็ดวันนะคะหนูคิดเองนะคะนี่แหละขอเจริญคาเจริญพรกรรมฐานให้เกิดปัญญาได้เด็กมหนึ่งเกิดปัญญาใช่ได้แล้วเด็กโตไม่ค่อยเกิดปัญญานั่งกรรมฐานหมู่ไปคุยกันขอเสสวนหวนหาท่านจะไม่ใหญ่พ้น ต้จะไม่ลึกซึ้งเจอประการใดต้องตากปริพโภคกังวลอย่าไปห่หวงใยใครได้ไหมอย่าคิดหลายเรื่องในเวลาเดียวกันตงคิดแต่เรื่องเดียวเอาหลายเรื่องในเวลาเดียวกันท่านจะสับสนอุละมานคิตใจท่านจะไม่เป็นสมาธิแน่นอนที่สุดขอฝ่าท่านไว้เด็กคนนี้พูดแล้วเราก็ตื้นตันหรือกึ่ คิดถึงแม่เหมือนกันอาตมาคิดถึงแม่มากก็ตอนคอหักที่หายใจช่างสะดือได้คนอื่นไม่ได้รู้ไม่เคยคิดเด็กหมหนึ่งแท้ๆญาติโยมตั้งใจคิดคิดได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรเราจะอยู่กับพ่อแม่ดีหรืออยู่กับผัวก็ไม่ยนเด็กนี่มันมีคิดคุณหลวงพ่อคะหนูคิดงด่ายมามานั่งกรรมาฐานทีุชลาโรงเรียนสมวนหญิงถุพรรบุรี อาจารย์บรรเลงพูดถ้วยผัวออเป็นผู้พำเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามหลวงพ่อคะอยู่กับป้าวนะเหมือนพ่อแม่เราไม่ได้เลยหนูเนี่ยยังไม่แทนคุณท่านใดเลยแม่หนูต้องตายแน่นอนวาระสุดท้ายแล้วหนูคิดเอง หนูเคยไปอยู่กับเพื่อนหรืออยู่กับป้าป้าไม่มีป้าอยู่ใกล้ๆ บ, บ้านติกันก็ไม่ อ, อุูนเลยอะไรหนอลวงพอบคะ่ะจะอพอูนเท่าอยู่กับแม่กับเพาะไม่มีแล้วแน่นอนที่สุดแล้วก็พ่อแม่กันรักเราอย่างบริสุทธิ์พี่น้องที่รักสาธุชนทั้งหลายสามีภรรยารักกันไม่บริสุทธิ์ดีก็จะรักไม่ดีก็จะเปีย เดียดฉันดีก็จะช่วยไม่ดีก็จะถีบออกไปเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ความรักของพ่อแม่เนี่ยยุติธรรมบริสุทธิ์มากไม่หวังผลตอบแทนกับลูกแน่นอนที่สุดลูกจะให้แทนหรือไม่แทนจะตอบหรือไม่ตอบพ่อแม่ไม่เคยว่าอะไรถ้าท่านมีลูกท่านจะรู้ด่าแต่ท่านไม่นิบูธธิดาท่านจะไม่รู้เลยหนุ่มถ้าเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่จะไม่รู้เรื่องนี้แน่นอน อะไรหนอจ้าจอบอบอุ่นถ้าตากแม่ลราอะไรหน๋อเจะอบอุ่นถ่าวงแขนของพ่อเราไม่มีอีกแล้วอะไรวงแขนของสามีกับภรรยามันจะอุ่นเท่าวงแขนของแม่ไหท่านไม่ได้นั่งกรรมฐานท่านคิดไม่ได้ทนไมชึ่งเคยว่าแม่นินท้าพ่อแม่ลองมานั่งกรรมฐานให้มันได้ผลได้มะ รับรอนถ้าจะร้องไห้คิดถึงแม่เราไม่น่าว่าจะคิดกับแม่เลยอย่างนี้ไม่น่าจะคิดกับพ่ออย่างนี้เลยมันจะออกมาเป็นบทกลอนทำนองธรรมแต่นึกถึงบุพกรารีได้ชัดเจนคือกระตันยูก็ตวเวทิตาธรรมต้องได้เป็นข้อแรกของกรรมฐานถึงจะเป็นการถูกต้องถ้าไม่เกิดนี่ท่านได้กรรมฐานไม่ได้ผลมันั่งจะไปสวรรค์นิพพานไปบวชชีพรามตามว่ากันอย่างนั้นเหรอ มีแต่วิทยากรเทศกันไม่พักติดกันเทศในพักไอ้ตมาไม่นิยมอย่างถวายซองนี้ก็ไม่นิยมอย่าหาว่าตมาว่าโยางกุญญ์นิยมที่โยมสร้างธรรมะสร้างพระไว้ในใจให้มากที่สุดแต่ปัจจัยที่จะทำบุญอาจจําเป็นพระเภทสองทานทีลภาวนาอันนั้นอาจจะเป็นประเภทสองได้ นี่แหละบุพการีเนี่ยพระพุทธเจ้าสองหลกตารอยู่ทุกเวทีในโลกนี่หายากคนที่จะลือถึงบุญคุณเนี่ยไม่ค่อยจะมีท่านสอนไวช้ชัดคือบุพการีหมื่นพันคนจะมีสักคนรึอที่ลึกซึ้งเข้าไปถึงเหตุการณ์เช่นรู้แต่ว่าชายเป็นพ่อหญิงเป็นแม่ทั้นแต่ไม่รู้เลยน้าใจของพ่อน้าใจของแม่เป็นประการใดในบุพก า, าลี คนจีนเขาจึงขลังมากวายบานพบุษเช่นในวันตรุฎจีนเช่นในวันนี้นั้นเขาจึงน้อมว่ายเอาเครื่องเป็ดไก่หดนมเข่งนมเทียนตามประเพณีจีนมาไหว้กันมากมายถึงหากว่าจะผิดธรรมะบางอย่างเช่นพ่อแม่ชอบสุรายาเมาก็เอายาเมาเหล้ามาบูชาพระคุณ เป็นการกระตันอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ผิดอะไรมากหราแต่แล้วอย่าไปกินเหล้าให้มันเมาก็แล้วกันเอาเป็นประเพณีเป็นการวัตถุสมมติบัญญัติเพื่อไม่ทำลายน้ำใจพ่อพ่อชื่อเดิมชอบดื่มเหล้าแม่ชอบดื่มเหล้าก็ไม่บูชาพระคุณเท่านั้นแต่แล้วอย่าไปดื่มเหล้าซะเองก็เห็นจะไม่เป็นบาป เป็นการบูชาพระคุณอย่างลึกซึกไม่ทำลายน้ำใจของพ่อแม่ถึงพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ท่านชอบอย่าไปขัดคอเถอเราหางนโยบายอื่นให้ท่านทำบุญให้ท่านเลิกเล่าให้จงได้อย่าไปว่าพ่อให้เสียน้ำใจอย่าไปว่าแม่เสียน้ำใจเช่นนั้นตามคำสอนพระพุทธเจ้าบัวอย่าช้ำน้ำอย่าคุณขอให้ชีวิตเราอุ่นใจตลอดการประวัติศาร มีเวลาการที่มีประโยชน์ในชีวิตทท่านมิใช่น้อยประการหนึ่งเป็นที่พึ่งของเราแน่นอนวันนี้จะชี้แจงที่เรื่องกรรมาฐานกัตัญญูเกตวตเวทิตาธรรมเหมือนเดกทัศนีนั้นโมหนึ่งเห็นชัดคิดถึงแม่เนี่ยแต่เธอไม่มาจากสงวนหญิงมานั่งกรรมาฐานเลยเธอจะไม่นึกคิดไม่ออก บอกไม่ได้เพราะยังเด็กเล็กนะักยังไม่รู้ว่าคุณค่าแม่ชีวิตนั้นเป็นประการใดพ อ, อมาเจริญกรรมาฐานเขา้าซึ่งใจร้องไห้มาหาหลวงพ่อทุกุติบอกว่าหลวงพ่อช่วยหนูพูดมีเหตุผลพูดเราตื้นตาล น, นา้ำน้มตาเราแทบจะไหลตื้นตาลก็เด็กเขาที่รักแม่ของเขาอย่างรอดชีวิตจิตใจ ไม่มีผู้อื่นใดเล่าที่จะเป็นเด็กขนาดนี้ที่จะรักแม่ที่จะเอาชีวิตแลกแม่ไว้ได้สองข้อคะหนูนั่งให้มันตายไปเลยเพื่อให้แม่หนูรอดหน่อยแต่แม่หนูรอดได้หนูยอมตายก็ได้แม่นี่หายากมากถึงไดาชีวิตแลกเอาแม่ไว้ให้ได้ไม่มีที่ไหนแล้วท่านบุปการีทั้งหลายเ อ, อ๋ย การกระตันดูตัเวธิตาทาเช่นดังกล่าวแล้วตมายังพูดด้วยเรื่อยเด็กคนนี้แม่ก็เป็นครูโรงเรียนด้วยบางคนมาไม่มีซึ่งจอะไรเลยหลวงพ่อคะแม่ป่วยอยู่โรงพยาบาลห้องไอซูนั่นอยู่โรงพยาบาลศีรลราข่าวเขารือกันนะว่ามานั่งแล้วแม่จะหายเหรอฉันจะลองดูสักวันได้ไหม บอกว่าขอเจริญพรกลับไปเถอะลองไม่ได้วันนี้ลองไม่เป็นศรัทธาไหมหนูไม่เคยไม่เข้าใจากลับดีกว่าแม่เธอตายหมื่นเปอร์เซ็นตายแล้วตายแล้วมีอย่างนี้เยอะเลที่วัด น, นี้มีเยอะเลยไม่ใช่แลกขนมเคงตะตางไปแลกของในตลาดอย่างนี้แล้วต้องสร้างความดีด้วยตนเองเช่นดังกล่าสู้เด็กไม่ได้ บอกคนมาพูดตู้จี้จั่นจู้จี้จั่นบอกไม่เคยเชื่อของพ่อคะสวดมนต์กี่จบแม่ถึงจะฟื้นพอถึงจะหายโลกบอกบอกไม่ได้ไม่ทราบนี่แล้วแต่ากศรัทธาจะกี่จบแล้วไม่ทราบแต่ให้สวดเกินกว่าอายุเนี่ยต้องการจะได้กําไรชีวิตให้คนที่สวดนั้นเป็นกําไรชีวิตเอากําไรไปให้แจกคนอื่น โยมโยมคิดดูค่าขายขาดทุนจเจ้าทุนไหนไปให้คนอื่นเจ้ากําไรไหนไปให้ใครจะขาดทุนอย่งยางย้อยยับใช่หรือไม่นี่แหละการศรัทธาสําคัญทั้งคารวะทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งนี้ย้ายขาดทุนได้ไหมนี่แปลความหมายย้ายขาดทุนแต่ละวันเวลาให้ย้ายกำไรทุกวันทุกนาทีทองได้ไหมไมิจะขาดทุนทุกวันเสียใจยด้วยนะขาดทุนเวลา ขาทุนชีวิตจิวาแล้วก็วัยก็เสื่อมไปตามสภาพได้กำไรได้อย่างไรหมดเวลาตอนนั้น <c oughs> ไม่ได้อะไรที่เป็นคุณค่าของชีวิตแต่ประกันได้ขอเจริญพรญาติโยมโปรโดได้รับทราบคนนี้ไว้วันนี้วันกระตันยูนะต่อบาลผลก็ต้องพูดให้เข้าใจเวทนจะเป็นไทยสัญชาติจีนหรือจีนสัญชาติไทยก็ไม่หวาดแต่จะมาคิดว่า จะปลูกตีนชาติ์ีนหรือปลูกไทยไม่สาคัญสําคัญ ท, ทําทุกวันได้ไหมกระตันดูทุกวันได้ไหมจเจริญบุพการีแจำเมยถึงคุณของผู้มีพระคุณทุกวันทุกนาทีทุกลมหายใจได้่ไหมจำเึกถึงคุณพระพุทธเจา้าทุกนาทีทองได้ไหมที่มีพระคุณอรุณเหลือนึกถึงพระธรรมที่เราปฏิบททัติธรรมเนี่ยตลอดทั้งวิบนาทีเดียวก็ต้องคิดได้ไหม ไม่จําเป็นต้องมาคิดในวันพระนี้เนี่ยได้หรือไม่ประการใดคิดถึงคุณค่าของพระสงค์นัตนาแกวสามประการทุกวินาศพาหุงหากาทุกวินานจะเจริญศีรษะเจริญศีรษะเจริญหน้าที่การงานเงินไหลนองทองไหลมาท่านได้กําไรชีวิตชีวิตท่านได้กํำไรเงินจะไหลนองทองไหลมาเพราะอารมณ์ท่านดีมีปัญญา ไดจากการเจริญพระกรรมฐานถูกต้องตามคลองของชีวิตแล้วอันแน่นอนที่สุดไม่มีอะไรจะมัน่นคงเท่าหลักทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะ่ะตรงนี้นะ่ะคิดพิจารณาตัวเองเถิดไม่มีใครเขาทำให้ท่านได้ลบอกอาตมาก็ช่วยโยมไม่ได้นะเพียงแตแ่แนวตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ่าน แต่คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นะเราไม่ปฏิบัติก็ไม่จะเกิดประโยชน์อันใดแต่ชี้บอกมาคมัคคาวอ่านี่ไปสวรรค์นี่ไปนรกบอกได้ทั้งนี้ไปเป็นเปรตนี่อสุรกายนี่เป็นสัตว์เดรัจฉานไปสู่อบายามุกหานะความสนุกในสังคมนี่ไปสู่ทางเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปทั้งนี้ก้าวเสื่อมไปทั้งนั้น บอกคุ้นทางได้ตรงนี้แผนที่มักมันคาแต่เราจะเดินไปทางไหนแล้วแต่ชอบแล้วแต่ยมชอบยอมไม่ชอบก็ไม่เป็นไรทางดีก็กลับกลายเป็นทางชั่วทางชั่วกลับกลายเป็นทางดีก็ไม่เป็นไรอย่าเห็นกองจักเป็นดอกบัวอย่าเห็นความชั่วเป็นความดีเลยจงเห็นกองจักเป็นกองจักเห็นดอกบัวเป็นความดีมีปัญญา แสงสว่างนกพานคือปัญญายาดเห็นให้มันกลงที่คงวาคงสอกอย่าต่อหน้ามาพรับรับหลังตะโกต่อหน้าสมโอรับหลังส้นเชงเชงไม่ลงควรจะเป็นมาตูมแข็งนอกกับมากอดแข็งในแข็งทั้งนอกแข็งทั้งในอดทนในอดทนนอกด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่ถจะสร้างความดีทุกวีถีขาดจิดขึ้นวิถี สร้างความดีได้ทุกนาทีทองสันจะประคองไว้วิชาความรู้แถมขาดทุนที่เวลาที่ผ่านไปแล้วอย่างน้าที่ได้และเสียใจด้วยไม่เกินประโยชน์โสตัตย์พแต่ปริการได้ตรงนี้เป็นเรื่องอาชินตายสำหรับควรจะคิดกันต่อไปมีประโยชน์สตัตยผลอย่างแน่นอนของท่านเองสันตระลาเอ๋ยนี่วันนี้วันนึงถึงบรรพูดท่านคิดถึงตัวท่านไหม บรรพูเป็นคนสร้างเรามาเนยะน่าจะคิดถึงตัวท่านมีหัวใจมาจากพ่อมีเลือดน้ำเหลืองมาจากแม่มาทั้งปู่ทั้งยา่าทั้งตาทั้งยายในตัวคุณถ้าจเจริญก็มาถานได้อย่างที่กล่าวแล้วถ้าจะคิดถึงตรงนี้ถึงบุพการีจะขยันมันเพียนเรียนหนังสือจะขยันมันเพียนปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้องจะเริ่มตนชีวิตให้ดี จะช่างความดีให้มาที่ถดเท่าที่จะทําได้มันจะเกิดอัตโนมัติแก่ตัวท่านเองไม่ใช่มานั่งกระจิ้มจิมจามจา ม, มาแก้บนกันเหรอเห็นที่นี่เป็นศาลเจ้าควรจะเป็นศาลเจ้าไทยปงไม่รับบนศาลเจ้าไทยปงไม่รับบนนอนไปหาศาลเจ้าแม่คุนอิมเราพอเสือเจ้งแม่ลายบนกระตู ก, กระโดกกระดกไม่ต้องทํามาให้กินไม่ต้องมานั่งกระมาฐานบนให้ไปสวรรค์นิพานบนเลย แต่ที่นี่ไม่จะสารไทยปงถ้าอย่ามาโบนอย่างนั้นแต่อยากจะโบนให้ลูกให้ตัวเองเรียนหนังสือเก่งโบนเลยไปจุดทูป ก, กับสารไทยปงหมอข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนหนังสือไทยปงก็จะบอกเตือนที่สี่ตั้งใจดูหนังสือตลอดไปพึ่งตัวเองให้ได้ไทยปงก็จะบอกอย่าไปพึ่งคนอื่นนะเพราะสารไทยปงไม่กินเครื่องชงเวย วัด น, นี้ไม่จะสารไทยไม่จะสารอย่างอื่นเเป็นสารไทยปงไม่จะโบนเจ็วันบนสามวันนะโบนเจดวันมาอยู่สามวันกลับไปแล้วอย่าไปอย่ามาโกหกสารไทยปงเข้าใจไหมไี้พูดเนี่ยไม่เข้าใจเออหลายปงปงแปลงก็ไม่เป็นไรสาลนี้ไม่กินเครื่องสำเว ย, ย่ายเชื้อท่าจ่านายเสียอท่าจะท่านจะลงนรกไปเลย ศารนี้ไม่รับบนบนอย่างนี้นะข้าพเจ้านั่งจเจริญกรรมาฐานอดทนตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่นอนไม่พูดขรขายบนกุฏเดี่ยวห้าชาวออกกรรมาฐานกินให้มันเอิมไปเลยนี่สารไทยปงไม่ใช่บนกระพระเนี่ยจ้าอาวัดอจิวอดีๆมาถวายฉันนั่งกรรมาฐานก็คงไม่ใช่สารไทยปงที่จะมีสาไทยสารอื่น แทกอยู่ในสารไทยปงเราก็ไม่รู้กินเครื่องสิ้นบนตลอดรายการวัดนี้ไม่รับบนนี่โทรมาตั้งใจชาวจะมาบวชเป็นพระสักทีห้าวันบนไว้บอกนี่บนนี่วัดสารไทยปงไม่รับไปสารข้างบางคุณเนี่ยวัดข้างบางคุณบราต้องบวชเดินเดือนหนึ่งเขาโทรตอบว่า วัดขาวบวชเจ็ดวันยังได้สามวันยังบวชก็ได้หน้าไฟก็ได้นะบวชพระก็ไปบวชสิศาลนี่ศาลไทยพงศบวชหนึ่งเดือนได้ไหมไม่ได้ไปบวชที่อื่นต่อมานางกรรมาฐานที่เจ็ดวันก่อนเนี่ยจะบวชให้เดือนกุมภานแต่นางกรรมาฐานไม่ได้ไปไปศาลเจ้าแม่กุนอิมศาลไทยพงไม่รับนะจำไว้ก่อ เนี่ยมาบ่นกันเยอะเลยที่วัดเหล่านี้นะก็ไม่ชาพันกันยังทายไม่ออกว่าที่วัดอภวรันที่ทางกรรมาฐานนั่นเขาเป็นสาลอะไรสารไทยตรงหรือสารเจ้าแม่คนอิมน่าจะมาสร้างความดีให้กับตัวเองเหมือนเด็กเอาความดีให้แม่ได้ไหมอย่าบน่นบ่นกลไอ้บ่นนี่มันใกล้กันบ่นไม่ดีก็ไปบน่น ทำไมเสียโอกาสเวลาท่านที่มีค่าเหลือเกินขอจเจริญพอรอย่างนั้นแต่ไม่มีโอกาสที่มีค่าถี่กว่านี้เลยมีอย่างจะบวชสักเจ็ดวันข้าวัดห้าวันก็บวชอยู่แค่สองวันขาดทุนอย่างน้อยยับเลยที่ว่า น, นี้ตรงอยู่วัดอย่างตามน้องเจ็ดวันนี่โทรมาแล้วโทรมาติดต่อบวช ท, ท, ท, ท, ทางทางทางทางโทรศัพท์เงี่อูช้าอยู่ไหมอู๋ไปเช้าอยู่ไหม วิบเช้ากาลังฉันข้าวให้ให้ใหหยุดฉันข้าวมารับสายหน่อยจารุมาบวชนี่ตําลาประวัติศาสตร์ต้องบันทึกขนาดนี้พระนาดทั้งนี้กาลังจะฉันข้าวบอกให้ท่านมารับสายหน่อยจารุมาบวชโอ้โหขนาดนี้แล้วนะประเทศไทยเสียใจขนาดนี้แล้วหรือเห็นเราพยาลัยไปได้ติดต่อโทรศัพท์เมื่อเช้าเีง ตออรรมะบนงทีนั่นสิบอกจะเพนเนี่นะเพนไม่เป็นไรให้ท่านหยุดขันก่อนนะมารับสายหน่อยทางไกลาทางไกลโอ้โหนึกว่าอยู่สมัยก็รบทางไกลยอยู่ที่ลาทซ้ายดีเองชั่วโมง ก, กว่าถึงอันนี้นแหมไกลามากเลยอยาคจนลาดซายเลืมถามชื่อถ้าชื่อนี้มาก็ สต็อรับเลยสต๊อเลยขอประกาศไปด้วยนะนี่ฉันฉันแล้วุกไปรับได้รับรวลาโทรศัพ์ได้ไหมไปเรียกพระมากะดังฉันข้าวให้เลินี่ทำไมเป็นเช่นนี้นประเทศไทยนี่เรื่องจริงเลยเรือมไม่เด็ดถามชื่อวาอยู่อยู่ราดพ้าวราดพราวมันกรุงเทพหรือที่ไหน แล้วก็เป็นคนโง่ ม, ม, มีวัดบนันเนาะไม่เคยรู้เรื่องครับคนกรุงเทพแจ๋วเลยมีมารยาทดีเหลือเกินลาดพร้าวนี่ถ้าจะไม่ใช่กรุงเทพจะกรุงเทพคงไม่โทอย่างนี้จะขอประทานโทรสารฝากดวงไปด้วยในองค์นี้พระบรรเนาะหอกนาพระงงงงอง่ะทานข้าวก็ให้แล้วมารับโทรศัพท์ก็ได้ไม่เป็นไรอส่งลูกมาบวชทางโทรศัพท์ก็ได้ ส่งลูกมาบวชทางปัชนนี้ก็ได้เอฟมาเลยเอาลูกสายเอฟมาเลยอตมาเสียใจนี่คนมีระเบียบมากขึ้นมันถึงจะยุ่งเหยิงขาดระบบไม่มีระเบียบไม่เพียบดูวิ่งเป็นไปมากน่าทึ่ดายอะขึ้นนี่แปลกๆทาให้ตามาได้ประวัติชาตร์ต้องบันทึกไว้เป็นประวัติเป็นวิญญาณิพนธ์ชีวิต เราจะได้คลิดกันต่อไปว่าประเทศชาติเป็นที่ขนาดไม่มีความเกรง อ, อกเกรจัจไม่มีมีปร ะ, ประตูมีกรอกเข้ากันเลยเหรอมไม่เข้าตามกรอกออกประตูเลยนะจะมากันบนอากาศเลยมนุษย์ต่างดาวหรือมันี่เนี่ยที่โทรมา น, นี้เน่สงสัยเป็นมนุษย์ต่างดาวมันทึงโทรขนาดนี้ให้เราเลิกเห็นข้ามีปแปลกแปลกทันอยู่ไหมวันนี้ลันจะให้รับสังฆทานหน่อย จะรับตอนไหนขลาเวลาให้เราหน่อยสิขลาเวลาให้เราหน่อยได้จะพูดส่วนส่วนตัวสักสามินาทีที่ไม่มีคนตายจริงจะไปพูดในป่าชาที่ไหนถึงหากไม่มีคนผีมันก็ได้ยินนะนี่วันนี้เลยเนี่ยวันนี้เลยสดๆแลลอนามาเล่าโยมฟังเสียดายเวลาของคนหนะุไม่เด้เคยศึกษาชีวิตที่มีประโยชน์เลยไม่รู้จักเพลงจารย์ เห็นเราเป็นอะไรเห็นเป็นเนนไปแล้ว น, นี่เนนแล้วเนี่ยไม่เหยียพระก็ไม่เป็นไรแต่คนมีสติดีเขาไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยนี่คนไร้สติจริงๆไม่สมบูรณ์แบบทุกรูปแบบแล้วเขาไม่ควรจะมากล่าวก็ต้องกล่าวเพราะฉะนั้นการเจริญกรรมาฐานจึงมีประโยชน์ในชีวิตท่านเองที่เป็นแก่นสารและไม่ไร้สาระอย่างเด็กนั่นเลยก็นั่งปฏิบัติข้าว เขาพูดมีหลักฐานก็ขอโยมฟังแล้วคิดเด็กนะชอบความรักอบอุ่นจากพ่อแม่ไม่อยากอยู่กับคนอื่นโยมมีบุตรทิดาไมาเ่เล็กเล็กถ้าจะไปให้อยู่คนอื่นต้องคิดให้ลึกๆเอาลูกไปปัดให้คนอื่นเลี้ยงหรือเอาไปขายสิคิดให้ลึกๆหน่อยดยนะิจะเอาลูกขายถ้าเราเป็นลูกมั่งขายไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยเราได้ช้ำนึกสมัญยาจะเสียใจไหม แม่เกลียดเราหรือไงเอาเราไปขายไหมตัวอย่างที่วัด น, นี้ลูกหลายคนเอาลูกขายีคนนี้หน่าตาไมาดีขายไปขายไปเลยลูกที่เลี้ยงไว้ไมาเดี๋ยดีสักคนลูกที่ขายไปนั้นร่ำรวยหมดเป็นปริญาโทเอกเขาส่งเรียนแต่ก็ไม่ได้รับความอบอุ่นผมด้อยคิดแล้วก็เสียใจตลอดเลยการ แม่ไม่รักเข า, ขายเข้าไปเส้นะเขาก็รู้เขาโตเรียนนี่แหละเป็นประวัติศาสตร์อันสาคัญแต่ทั้งหลายมีลูกหลานอยากขายนะอยากดีมีจนเลี้ยงมันหน่อยได้ไหมแต่เขาได้รับความอบอุ่นในชุดเนี้ทะยมนั่งกรรมฐานโยมจะอ่านตัวออกบอกได้ใช่เป็นแน่นอนแต่เราสำเน็คสมัญญาเรารู้ความเป็นรู้รู้ใจความเนี้ยจะเสียใจมากจะคิดว่าแม่ไม่รักพ่อไม่รักเราเอาเราขายไปเส้นะ น่าจะคิดอย่างนี้่ะแต่โยมนั่งจเจริญกรรมฐานน่ะโยมจะรู้เหตุผลได้ดีที่สุดส่วนมากโยมเป็นโยมผู้ส่วนมากแล้ว <c oughs> นี่แหละมาบนบานฉาญกล่าวกันที่วัดนี้เป็นจํานวนส่วนมากแต่มารับโทรศัพท์ถึงได้รู้อ๋อนี่บนกันอย่างนี้เลยเดีว่าคนอื่นรับก็จะไม่รู้เรารับเองก็รู้จะบนอย่างเนี้ยนี่บวชบางทีจะบวชเจ็ดวัน บอยโมไม่ได้แล้วที่เนี่ต้องอยู่วัดห้าวันก็เป็นท้าอยู่สองวันก็ไมบวททาไมนั่งปฏิบัติกรรมฐานดีสุดร้อยไม่เอาแล้วนั่งแล้วไปนั่งวัดโน้นมาวัดนี้มาเอาว่างโอเคไปมันอยากเข้ามาไม่ได้แหละถ้าเชื่อจะมาบวชหนึ่งเดือนเนี่ยอย่าเอาเพื่อนมาคุ ย, ยพ่อแม่ก็อย่ามาุ่งวุ่นวายได้ไหมเดือนหนึ่งท่านจะได้ไปเย้อแยะมากมายถ้าขอให้ทําตามที่ท่านมีศรัทธา ถ้าท่านไม่มีศรัทธาจริงๆท่านกอดสองเดือนท่านก็มาไดาอะไรปีหนึ่งบวชทั้งปีก็ไม่ได้อะไรขาดทุนอย่างก็อยยาเป็นนี่สงต่อไปในบุญคุณเขามัดมากหลายจะเป็นนี่บุญคุณเนี่ยสําคัญมากขาเขาเจริญพรวะนี่สินเงินทองใช่ก็หมดแต่นี่บุญคุณคนเนี่ยไม่รู้จักหมดนะหมดไหมนี่บุญคุณ นี่พ่อนี่แม่นี่ครูบาอาจารย์นี่ผู้มีอุปการะคุณไม่มีทั้งหมดไม่ต้องใช้อย่างนั้น เ, เงินทองมาใช้ก่อมาเดมากเป็นผลนรองพรเดชพระคุณมีทางเดียวคือกาญยูกัตเวทิตาทำเท่านั้นเองถึงจะมีประโยชน์ถวติผลที่มากลายมีความหมายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในการที่เจริญกุญลภาวนาในวันพระ ยังไม่ถึงบรรพลุรธษให้มากโดยที่เด็กคนนั้นทศนีแม่หายจากโรคมะเร็งทันทีดี อ, อกดีใจบัตรนี้เขาอยู่ม .6 แหละเป็นนางสาวเรียนหนังสือเก่งเรียนกนาน้ำเหเาาเลืองไขเสี่ยงมะนาวกลมเปรี้ยงไครไปกลึงเกิดเอ็ช้างเผือกเกิดเอ็งช้างเผือกช้างนาเนียมช้างคู่บ้านคู่เมือง คู่จิตคู่ใจคือปัญญาเป็นช้างเผือกช้างเผือกเรียกว่าปัญญาอยู่ในป่าแห่งความสงบช้างเผือกจะมีได้จองอยู่ในป่าป่าตัวนี้แปลว่าความสงบนับถีตันติพลังฝุ่ขังฝุ่อื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอีกแล้วอย่างนี้คนไหนอยู่ด้วยความสงบไม่วุ่นวายตุน้นคนนั้นมีช้างเผือกคู่เมืองคู่ บานคุณรับช่างครูบานครูเมืองนั้นก็คือตัวปัญญาญาณรัลบลอกดูกองการชั้นขานหาเหตุการณ์ได้ในทุกจะทําอะไรก็สําเรหตุสมผลช่างเผื่อที่เราเรียกกันอยู่ในป่าป่าตัวนี้น่าจะแปลว่าปานความสงบมาเหยียบป่าลกลุงรั ง, รงสิงสาสาศาสก็ขามันต้นไม้ก็โค่นมันไม่เกิดป่าแบบนั้นมันปานความสงบ ปาด้วยปลาลบความเพียงปาให้งความสงบเรียนหนังสือเป็นด็อกเตอร์นั่นแหละช้างเผือกอันแน่นอนคู่บ้านคู่เมืองคู่จิตคู่ใจอยู่ในตัวเรานั่นคือกรรมฐานแต่ทางจเจริญกรรมฐานท่านจะรู้ว่าช้างเผือกคืออะไรคู่บ้านคู่เมืองเป็นมิ่งขวัญมางคนชัยของบ้านเมืองในเมืองนั้น เขาจะมีการเอาช่างชนกันมีการยุติหับถีสมเด็จพระเรศวรัน์เมื่อวันที่ยี่สิบห้ามกราเป็นวันกองทัพไทนที่ผ่านมาแล้วนั้นนี่ก็ฉันใดชีวิตของท่านทั้งหลายมาเจริญกรรมาฐานเข้าลำลึกเด้นหมดจะมีการเคารพนอบนบและบูชาเกิดเองจเจริญสติปัฏฐานสี่ยืนหนอห้าค้างได้ขอให้ท่านทำให้ได้ก่อนจะกลับ อย่าปากความสงสัยกลับบ้านไปแต่ จ, จะเสียดายเวลาอันมีประโยชน์จะมีค่าเดินจงกรมต้องดูเท้าแต่มาฉังเกต ด, ดูไปดูกันที่ไหนหลับตาเดินทำไมดูที่ปลายเท้าให้เห็นชัดขวายางหนอใชายยางหนอให้ชัดเกหนอเดินไม่นคนจะตายให้ได้จังหวะปัจจุบันยืนหนอห้าครั้งให้ยายปัจจับปัจจุบัน สติอยู่ก็บจิตที่ยืนลงไ ป, ปลายเท้าขึ้นมาถึงทิศามโนภาพหลับตาสตีดีแล้วจะเกิดอัตโนมัติเห็นใครหนอเห็นหนอทิษะลงปลเท้าปลายเท้าคนทิศามันจะอัตโนมัติวันนี้สายไม่ดีคนนี้หัวขาต้องตายไม่เคยพลาดแต่สติชัานสมบูรณ์คบวงจรจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ แต่สติท่านไม่ครบวงจรมันจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยจะอ่านไม่ออกไม่บอกไม่ได้เพราะสติไม่พอครบวงจรไม่บริบูรณ์สติท่านไม่สมบูรณ์แบบมันจึงไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นไม่ใช่ของง่ายนะที่ทําเนี่ยท่านต้องทำบ่อยๆเสมอต้นเสมอปลายกลับไปบ้านกดทำได้ดุจจิตอายณะธาตุสีกำหนดตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงตมุได้เพียงนิมิตกหนดให้ได้ กายสัมผัสร้อนหนาวก็ต้องกําหนดเพียใจยดีใจชี้ลิ้นปีเนี่ยหายใจยาวๆกาหนดให้ลึกๆรับรองท่านจะหายโกรธเลยผูกความโกรธเข้าไว้ในจิตกําหนดแล้วท่านจะหายไปเองคิดอะไรไม่ออกหายใจยาวๆยังอยู่ในรถหรืออยู่ที่ไหนก็ตามหายใจยาวๆตั้งสติว่าชี้ลิ้นปีกําหนดคิดหนอสี่คิดห้าคิดร้อยคิดพันคิดเดี๋ยวคิดออก คิดออกจดไว้นี่แหละของจริงแต่ผู้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามนะโยมจะไม่จะลายความหมายจะไม่ได้อะไรเลยนะเขาปากไว้เสียงหนอตั้งสติว่าที่หูอย่าจะได้รู้เลยเนะี่ยว่าเขาพูดเนี่ยโกหกลบล้าวมันมีประโยชน์จริงๆเราจะได้รู้คนนี้ครบไม่ได้หน้าซื่อใจคดเรียวรกนคเคี้ยวคบไม่ได้ ปากหวานแต่ก้นเปรี้ยวเรียวเาก้นเคี้ยวคบไม่ได้สติใช่ไหมล่ะถึงคบไปเราก็เสียหาไม่ประโยชน์ในการครบค้าสมาคมมีประโยชน์ในการธุรกิจมีสติในการใช้งานมีชีวิตชีวาอยู่ด้วยความลาบลึก อ, อยู่ด้วยความชื่นบานมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่หลงไม่เซม มีชีวิตยอยู่ด้วยความสดชื่นอยู่ในจิตใจของตนตลอดการประวาาัาสตรมีประโยชน์อย่างอันสาทุชนพุทธบริษัททั้งหลายกรรมาฐานจึงเรียกว่านาที่การงานกรรมาฐานแปราเหตุผลกรรมาฐานตั้งต้นชีวิตให้ดีเหมือนออกแขก บ, บอกเรื่องดีๆการจ ะ, สะแสดงดีตลอดายการกระทั่งชีวิตทใหม ตามนี้ฉะนัน้นจะไม่อยากรายจิตตัวท่านไปจะหน้าเสียดายเวลาและเสียใจเป็นอย่างยี่หนุ่มสาวทั้งหลายโกรธเาาราบอันแต่ท่านมีสตีดีพบวงจรท่านจะอ่อมน้อมถ่อมตนปากหวานตัวอ่อนมือไปงอนดูอัตนมัติเจ อ, อคนก็อยากจะอ่อนน้อมเจอพระก็อยากจะนมัสการยกมือไหว้สวดมนตไหว้พระโดยไม่ต้องสั่งการไม่ต้องอัตโนมัติแก เจอผู้สูงอายุอยากจะเลี่ยงทางอยากจะว่ายอยากจะกล่าบผู้มีอายุอานามผู้อาวุโสแลยอาวุโสพันเตเป็นต้นแต่คนที่ปากล้าขาแข็งจิตใจไม่มีธรรมะไรธรรมะจะปลากล้าขาแข็งไม่อ่อนหวานอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยแน่นอนที่สุดออกมาเป็นลักษณะการอย่างนี้ชัดเจนมากท่านสาวทุชนทั้งหลายฉันคิดดูอย่างนี้ท่านจะเห็นเอง จะเห็นที่มีประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเองโดยเฉพาะนี่จะเหมาะเจาะหรือจะไม่เหมาะเจาะก็เกิดขึ้นเองโดยเฉพาะมีความหมายมากเราจะเห็นเด็กถ้าปฏิบัติได้จะสวดมนต์ไหว้พระยกตัวอย่างวันนี้ก็เล่าฟังเลยหลาะพอเป็นฝรั่งแทๆ้ๆแม่เป็นคนไทยเด็กสามขวบสวดพุทธคุณท ร, รมคุณชังนอคุณพามกากาเจอพระทูตจ่าเจอพระทูตจ่า เจอคณแก่คนเฒ่าเลี่ยงทางโอวนี้เดี่ยวเหตุนใดอ่านหนังสือไม่ออกทำไมสวดพัุมะกาได้แม่พ่อเขาสวดพ่อเป็นฝรั่งแท้ๆแม่สวดตลอดลูกก็ว่าตามจนไดน้เด็กกำลังจำกำลังจดกำลังจดกำลังจ ำ, ำ, งจำรีดสอนความดีให้มากคือลูกหลานของของโยกตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญประการ น, นึง แต่ท่านไม่เอาไม่เป็นไรของดีไม่มีใครอยากได้ก็ไม่เป็นไรถ้าจะเอาทั่วเต็มตัวเต็มเป่าเต็มกระเป๋าก็ไม่เป็นไรถ้าจะสร้างความดีก็เอาไม่ไม่สร้างความดีก็ได้ไม่มีใครบังคับท่านหรอกจิตใจของท่านใครจะไปบังคับได้แต่ท่านมีความดีอยู่ในจิตใจอยู่กรรมฐานถ้าจะรู้เองว่าปัจจัตังเวทิตาโพเป็นประการใดสร้างความดีไม่ต้อบังคับบัญชา มันจะเกิดขึ้นม า, าด้วยศรัทธาและความเชื่อมั่นของท่านเองแต่ท่านไม่มีศรัทธาไม่เชื่อมัน่นไม่ต้องทําบุญไม่ต้องเจริญการมาฐานมันไม่ได้ผลแน่นอนไม่ได้อะไรจริงๆอย่าทําเสียเวลากลับบ้านเถอะกลับไปยังไปเที่ยวในสังคมช้อปปิ้งทินนู่นช้อปปิ้งที่น่ยังมีประโยชนกว่าดีกว่ามานั่งให้เสียเวลาให้เมื่อยเปล่าๆบางคนเนี่ยนั่งวันเดียว ยังไม่หายเมื่อยกลับไปแล้วบางคนก็บ่นบอกลุงให้กูไม่มาซะดีกว่าอยู่บ้านยังได้ผลพูดอย่างนี้ก็มีนี่แหละก็ขอเจริญพรคนไม่เหมือนกันคนมันไม่เหมือนกันบางคนดีเขามาต้องการเรื่องของดีคนไม่ดีก็ไม่ต้องการของดีนะต้องการของชั่วที่มันโกงเงินข้ามยังที่เก่าเลยไม่ใช่หมายความมาต้องการดีด้วยกันทุกคนหรอกแต่ ตูดมุมหมายต้องการดู่วต้องการสวยต้องการดีแต่วิธีปฏิบัติไม่ดำเนิน ง, งานตามนะั้นจึงไม่ได้ดีเท่าที่ควรไม่สมส่วนและควรกันคนเราจึงมีฐานะไม่เหมือนกันมีสมองไม่เหมือนกันมีปัญญาไม่เท่ากันมีความดีไม่เท่ากันเป็นพระหรือค า, า, วารวอุบาสกบุริการก็ไม่เท่ากัน <c oughs> มีดีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเจริญกรรมาฐานนี่ มันจะนึกถึงบุปกาลีเหมือนกุฎจีนเช่นนั้นไหวบันพระบุดถืปูชาจาับปูชนียานะเอตัมมันคารมุตตะมันบูชาผู้มีบุญคุนนั้นเป็นมหามงคลชีวิตแน่นอนเกิดไดจากการเจริญกรรมฐานแต่คนไหนเจริญกรรมฐานเนีนึกถึงบุปกาลีได้จะมีการสการักราละสองเคารพสามบูชาสนับถือห้าเฉิดป่ามันจออกมาอย่างนี้ชัก ห ล, ลักาละแปลว่าเอาใจใส่พ่อแม่อมเอาใจใส่สามีภรรยาเอาใจใส่ปู่ย่าตายายถึงตายจากโรคไปแล้วก็เอาใจใส่ติดตามผลด้วยหมู่ชาพระคุณเป็นตน้นเขาลบแล้วว่ามั่นใจนี่ความมั่นใจท่านั่งกรรมฐานได้จากตีความหมายได้ชัดมั่นใจต่อบิดามารดาของเรามั่นใจต่อปู่กย่าตากรยายมั่นใจต่อสามีภรรยามั่นใจต่อลูกต่อหลาน ไม่ใช่ไม่ใช่แช่งแปลงปลาวาจาบูชาแปลว่าบูชาพระคุณด้วยอังมิสบูชาพระติปฏิบัติบูชาอมิสบูชาคือให้าพาผ่อนทอนบายอาหารการบริโภคยุยยาละสาโลกให้แก่ท่านทุกประการปฏิบัติบูชาก็คือหมายความว่าท่านไม่มีทานให้บําเพ็ญทานไม่มีศีลให้บําเพ็ญศีลไม่มีภาวนาให้ท่านถวตมนไหวพระหลักสาวโบสวเป็นต้น แล้วก็ไม่ทำลายน้ำใจของพ่อแม่ผู้ปู่ย่าตายายผู้มีบุญคุณทั้งหลายออกมาัยนีงชัดยู่กว่ บ, บูชานับถือแล้วว่ายึดขึ้นมาคนนี้เป็นพี่เป็นน้องอยาได้ซองแคลนหละหลวเมิ้วหลายนี่เป็นสามีนี่เป็นภรยาต้องยึดถือขึ้นมาให้มั่นคงในจิตใจของเราเชื่อฟังข้อที่ห้าต้องเชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังซึ่งกัและกัโดยเหตุผลข้อที่ ไม่มีผันแปรแปลกป ล, ป ล, ปลปอมแต่ประการในเรียกว่าภูชาในบุพการีการสการะการเคารพการบูชาการนับถือการเชื่อฟังโดยปูชาจะาภูจนญยานันะ้นเอตัมมังคลุตุตมังบูชาในผู้มีพระคุณทั้งหลายจะได้รับการเสลิมเจริญพรทั้งต่อหน้ารับหลังเหมือนบูชาบรรพบุตรในวันกุฎจีนเช่นในวันนี้ทั้งหลายอย่าเข้าใจผิด เขากระดาษเหงินกระดาษท้องและกระถูประทัศน์เท่านั้นหรือน่าจะตีความหมายถึ้งธรรมะว่าบุปกาลีคืออะไรตัดตาูดตัวเวทีต่อบันประลุกของท่านเพื่อประโยชน์อันใดรำเึกถึงพระคุณอันอุ่นใจทําใจสบายค้าขายก็จะรวยวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันไหวพระวันนี้ไหวไหวผีบันประลุกพรุ่งนี้ไหวพระ ไปไหว้พระตามวัดวารามต่างๆเดี๋ยววัดพระวันต้องมีมากันเยอะแยะถ้าจะมีมานึกคงไม่ผิดเดี๋ยวมาแต่เช้ากันเขาออกไหว้พระไหวผีปู่ย่าตายายวันที่สองก็ไหว้พระเรียวกว่าชิวอิศชิวเย่ชิวสากลับบ้านอย่าไปถึงชิวห้าชิวหกชิวเจ็ดเลยมันจะเสียวเวลาการค้าขายเสียเวลาทํางานต่อไป นี่แหละวันนี้วันกรรมาฐานของวันกุจจีขอให้ท่านพี่น้องไทยเัญชาติจีนและคนไทยเหมือนกันทำเหมือนกันได้หมดวันบุพการีเช่นวันนี้วันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนก็ทางเมืองไทยก็มีแต่จีนเต็มเมืองไปเหมือนกันหมดนะไม่จำเป็นต้องหวัดคนนั่นแยกเป็นไทยนี่เป็นมอญเป็นลามันไม่ต้องแย่ แยกการมนุษยชาติศักยภาพของบุคคลผู้มีบุญคุณต่อซึ่งการในการเรียกว่าบุภกาลีโยมนั่งจเจริญกรรมาฐานจะเห็นได้ชัดแผ่เมตตาุทิศส่งกุศลเป็นต้นโยมจะได้หลักฐานการปฏิบัติธรรมเอามาไว้ในจิตใจเองโยมสามารถจะปกป้องไปสู่อบายยภูมินรกเปรตทุกการสติส า, านจะไม่ไปไปภูมินั่นต่อไป พระนจ้านาสุดท้ายนี้ที่จะชี้แจงแสดงถึงบันพบุหลบูชาบนรนพหลกตันยูต่อเหตุผลของบรรพรุษในวันนี้วันกตานยูตัวเวทีของท่านในบรรพรุษในวันทุกีนวันขึ้นปีใหม่ของท่านเดี๋ยวเรามาเจริญกรรมฐานก็ต้องการตรงนี้ต้องการถึงบุ ป, ปกาลีรู้คุณค่าของชีวิต รู้คุณค่ากตัญญูตัวเวทีต่อบิดามารดาชาติิดภู ม, มิมติภูมิบ้านเกิดมันนอนของ้งข้นจะได้มีโอกาสบริจาคทานชีพภาวนาถวายพัดตาหารเป็นต้นวันนี้มีท่านทั้งหลายมีศรัทธามาถวายพัดตาหารเป็นจํานวนมากและบางท่านาก็สู่ข้าวสารมาถวายเอาเครื่องสับปะรีวานังมาถวายเครื่องสงนทานเป็นต้นจะได้ถวายไว้ในท่านกลางสงให้ให้สงได้อห้โมโทนา สาธุการทักษิณาทานการกุศลถึงบรรลุของท่านต่อไปแล้วนั้นขอกุศลบุญยลาศีที่ท่านเบลเพ็นมาในวั น, นทั้งญาติโยมทั้งหลายทั้งบรรพชิตดับเครือขัดอุบาสกบัณิกาโดยทุนากันอาตมาภาพประธานสงขออนุมโมทนาแก่ท่านทั้งหลายขออำนาจคุณพระจิตและจนาจัยอำนาจบุญกุศลทั้งหลายโปรดประทานพรญาติโยมทั้งหลาย ที่มาเจริญสกุลมาฐานเจริญบุตรผภาวนาโดยทุนากันจงประสบจะพานสุขความเจริญจงเจริญไปด้วยอายุวันะสูกขาภละปฏิพานธนาสามสมบัติเนกเกจิเงียบประการได้ชมความมุ่งมา่นปัจนาด้วยกันทุกรูปทุกนามณโอกาสบัดนี้เทินขอเจริญพรทุกท่าน ชาันชดาปัญญวุตด้วยบริสุทธิ์วิสุที่คนมีการุณแกผู้ที่ไปเทือ วงชนออกคนหาทางรำซอนจากร้อนกลายเป็นเย็นจุดเด่นคือวิ่ยปัสนาอาวนาอยู่ที่ใดที่นั่นใส่ จะชุมเย็นเข็ัท้ายทาระเกือนนุ่นคำจุนพระศาสนา ปวัดอัมพวันแดนเด่นกินกรรมมาธานวิปัสนาญาณโปรดปานพวงชนผลอาวิชชา การุณแกผู้ที่ไปทำนำพวงชนออกคนหาธรรมรำตอนจากร้อนกลายเป็นเย็นจุดเด่นคือวิปัสนา